อันนี้นน่ออ่าปางกรร ม, มอุกรประกอบาาการศึกษาปฏิบัติย <c oughs> ังกันเงพ่ากเรลากันลัาทำอยู่อะไรอย่างตาประกอบเพื่อ เรียนรู้ในส่วนที่ผิดที่ถูกนอกจากในทัวรันเองเรียนความหลงก็ต้องเอความรู้เป็นส่วนประกอบความหลงเป็นส่วนประกอบไม่เกิดความรู้เราได้ยืนเลยฟังเป็นส่วนประกอบให้เราได้รู้ทิศรู้ทางได้เอาไปปฏิบัติ การปฏิบัติคือการเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกทุกลูกแบบที่มันเกิดอยู่กับกายกับใจเราเนี่อย่ยาปล่อยทิ้งไว้มันจึงจะงอกงามจึงจะสัมบเปิดได้เ <c oughs> <c oughs> มืเ่อเพียงความผิดเป็นความถูกทุกโลกทุกแบบที่มันเกิดจากกาจากใจเรา ความผิดต้งวดความผิดมันอาจจะมดฝายดวงตัวกง็งอกงามขึ้นมาเป็นหลักธรรมชาติของความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่มีการปฏิบัติมีการกระทำให้เกิดขึ้น ก็ไม่สำเร็จจักทีว่าจะเป็นเรื่องใดต้องเป็นส่วนประกอบการทำอย่างปฏิบัติทำหรือาการตามรูปแบบกรรมฐานมีการกระทาเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งเอาไว้ เป็นเจ้าทินเจ้าว่านเจ้าเรือนเอว้เป็เจ้าของส่วนร่างกายในใจเรื่องรู้สึกตัวก็เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเอาไว้ถ้ามีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจ มันก็จะมีความเป็นธรรมและสัมผัสกับความเปนธรรมเมื่อสัมผัสกับความเป็นธรร ม, ม, ม, ก, ม, รรมก็จะได้เรียนรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดกับกายกับใจว่ามัต้องไวถูกก็จะเลือกเร็นสัมผัส บทเรียนจากการสมบัติการสมบัตินี่มีกลวงลู่จึกตัวไปที่ตั้งโดยสมบัติกับกลวงลู่จึกตัวไปในกายโดยการวิชากรรมาฐานเคลื่อนไหวตามบอกภ า, า ข, ของการผึกนั้นที่วระเจ้าไดหัดมากจนถึงเป็นพระเจ้าลกลายเป็น ดีตั้งขบวมลู่จึกตัวทุกๆ ท, ท, ทุกแบบเรียกว่าบับพาสำชัญญะบับพาการเคลื่อนไหวจิตต์ บ, บับพาการเคลื่อนไหวของจิตมาเป็นขบวมลู่จึกตัวอานาปาบอบพาการเ ค, คลื่อนไหวของลมหายใจมาเป็นขบวมลู่จึกตัว เราชีวิตเราที่ผ่านมาไม่ค่อยเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างความรู้สึกตัวมันก็ไมาค่อยจะได้ประโยชน์จากบัพพะต่างๆเดินฟรีหายใจฟรีคิดฟรีพาเทียนที่มันเกิดขึ้นก่านเข้าใจเราเข้ า, าไปมาแล้วหลงเอ๋หลงจีร่าและสงไข่หลง โอดกี่ล้านสงไงโโตดไม่เคยลู่สึกตัวมันก็อยู่เช่นนั้นอาจจะงอกงามขึ้นในความผิดตัวไม่ถูกต้องเกิดขึ้ น, นที่กายทีใจยิ่งสิ่งเงินลรอไม่ดีก็ยิ่งจะงามไวเป็นตัวเป็นตนเต็มไปหมดเลย เรไม่เคยฝึกหัดถ้าเราฝึกหัดก็ก็จะทำเรื่องผวมด้วยจักตัวเต็ไมไปหมดแทนที่ก็มไม่ถูกต้องผมไม่ถูกต้องก็อยู่ไม่ได้เองการสอมผัดเช่นนี้เรียกว่า ปฏิบัติธรรมเอาไปต่อเอาแม้มีการกระทำลงไปจริงๆสมปัาจริงๆในคราวเดียวกันตรงกันข้ามเลิอลมหลงก็งไม่หลงตรงกันข้ามเวลาทุกข์ก็ไม่ทุกข์ตรงกันข้ามให้ความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปอดไปทนเพิ่งเงื่อนาย กลับมารู้จักตัวที่ตั้งไว้ที่กายเป็นบัพทะก็จะชำนิชำนานมากขึ้นมาขึ้นเพราะกตนสอ น, สอนตนแจ้ไขตนมีสติหลายๆอย่างเป็นรูปเป็นแบบเป็นสิ่งแวดล้อมแมอกระทั่งได้ยินได้ฟังอยากพูร้รู้พูดค่อยปึก สายสาธยายพะสูตรที่เป็นความถูกต้องที่สุดนสูตรที่เราละ้ยาฉยออกมาจากพระหัวของพระเจ้าไม่ผู้อาจารย์ที่ร้อยกองมาให้เราสาธยายเป็นสูตรเหมาะสมในการใช้เป็นจิตกรรมธรรมะเจ้าธรรมดเย็น ก็สะดวกรลายอย่างไม่ใช่ล้มบอลเราไม่็ด้ไปคิดเหรอไม่มีความรู้ไม่คนสร้างให้แล้วเป็นเขียนที่พูดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องคิดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องได้ <c oughs> <c oughs> รับรูร้เดอาต้นสอนตน เชงใดประกอบด้วยเมตตาลองดูออกหน้ามีเมตตาออกหน้าผู้เชิงใดไม่เมตตาออกหน้าทำเชิงใดไม่เมตตาออกหน้าเพราะมีสติมันก็เกิดเชิงเหาได้ถ้าไม่มีสติรู้จัจกตัวก็มีแต่โทโสโมโหคขมหลงโงหน้าออกตา เาเห็นลูกพอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงไม่พอใจพอใจยินดียินลายทางนั่นซะเขาก็เดินทางมาผิดตลอดคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์ได้คิดเฉยๆก็เป็นสุขได้คิดเฉยๆก็เป็นจิตตัญหาได้ด เ, เดพราะไม่เคยฝึกให้มันคิดสมสน สุภีนิิตจิตสำสอนคิดได้ทุกลูกทุกแบบไปดูจักการละเทศะไ่รู้จักอายความคิดเป็นชีวิตที่น่าดานไปอาอยแต่คนอื่นไปอายตัวเองที่มันเกิดความชั่วในกายนี้ใจนี่ ถ้าไอ่ยคนอื่นํดาดีไม่สาเร็จลอชั่วไม่สาเร็จก็มีสติมันจะละอย่ยเพราะว่าสติมันตั้งไปแล้วเจ้าของแล้วเป็นธรรมที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วงานลูกแบบไดนมันก็ละอ่อยเมื่อมันอ่อยมันก็ทาไม่ลงคิดไม่ลงเ ป, เปื่เพือน โดยเฉพาะความคิดนี่เป็นกรรมตัวใหญ่เป็นหมายเลขหนึ่งถ้าเป็นจำเลยก็หมายเลขหนึ่งเราไม่ค่อยใสใจเพราะมันมีสติไม่เห็นไอ้ขุมแต่กายวาจาไอ แ, แต่โทษก็เอาแต่กายแต่วาจาไม่ปรับโทษเรื่องใจ ลาภฐานจริงที่ออกมาทางกายธรรมจามาจากใจที่มันคิดทวานของใจคือมันคิดนี่ไม่เคยมีใครรู้จักทำไม่ปึกจนสอนตนไม่เรียนรู้เรื่องกรรมฐานตามทางพระเจ้าได้เกิดอุบัติขึ้นในโลกคือกรรมฐานเรียนรู้แต่เรื่องอื่นผิดินกับปรับกันทางกาย ทุกเป็นโทษติดพุกติดลาลงก็ปรับกันทั้ลล ง, ทงกายทั้งวาจาออกกายเป็นโทษนักกว่าจจเป็นโทษหนักริงงออกมาจากใ จ, จเหมือนกับชั่วเหมือนกับใบไม้ แตคนชั่วกี่แหล่งก็ปิดใบ ไ, ไม้ออกฆ่าทิ่งสะเชั่อเกิดมือเมื่อหลายครับงเหมือนกับใบไม้ปิดใบ ไ, ไม้หรือควบคุมแต่ใบไม้จริงมันมีรากมันมีต้อนอยู่มันจึงเกิดใบขึ้นมาเรื่อยๆความชั่วความดีทำไม่ฝึกจิตใจไม่มีสติเห็นจิต มีสติเท่านั้นที่เห็นจิตที่มันคิดคนอื่นไม่เห็นเราเห็นที่วิชาการรมฐานจึงได้จเป็นวิชาที่เปิดเผยเหมือนกับง้อยของที่วมปิดเปิดเปิดของที่เปิดออกออก คิด ท, ทางแห่งคนหลงทางาองแสงสว่างในที่มืดส ต, ติไปอย่างนี้ไม่มีตรงไหนบิดบังกัมบาลในกายในใจเราเนี่ยเห็นทุกรูป ท, ทุกแบบเมื่อเห็นก็ทิ้งไม่ได้ถ้ามีสตินะมันทิ้งไม่ได้เห็นผิดปล่อยทิ้งความผิดไปในในกายในใจไม่ได้ ห้เห็นความถูกก็จะทิ้งไปเฉยๆเลยต้องประกอบขึ้นมาให้สัสมบัติแล้วก็เหมือนกับเจ็บเอาความถูกต้องทิ้งความผิดออกไปทุกรูปทุกแบบถ้าฝึกกรรมาฐานทิ้งอะไรที่เห็นอะไรไประสบการเรื่องที่ดีไม่ดีเกิดกับว่าใจมากมาย เปิดความขยันหมั่นเพียรว้รสชาติแห่งพระธรรมขึ้นมาจะมาลูยจักหลับจะนอนละ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยากวั่ช่ลำบากมันกระตือรือร้นเป็นกอบเป็นกาขึ้นมา ทำะไรก็ต้องสาเร็จเต็มนี่เมื่อความไม่ดีมันสาเร็จลงไปทำได้ทิ้งลงไปแล้วความดีเกิดไปแทนผู้ปฏิบัติก็ต้องเห็นเองลูกเองเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติความเทศจความจริงไม่ต้องมีคำถามเกิดขึ้นทีการที่ใจเรานี่ ไม่มีที่ไหตัวใครตัวมันต้องทำเองทำมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไปดีแล้วผู้ศึกษ า, ษาปฏิบัติทั้งทำด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการควร น, น้อมตัวเราเข้าไปโดยเฉพาะเราเป็นนักปวดเนี่ยไม่โอกาสเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็น ในเชพนี่โดยตรงน้อมเข้ามาหาเราน้อมเราเข้าไปนำผัดทุกโอกาสจริงเรองนอก็ช่วยเราเราหลายอย่างเราก็ห้ตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มีสร้างขึ้นมาได้ในตัวเราเนี่ยากายตั้วั จ, จาะตั้งใจตั้งใจก็คิดเป็นพุธานนึสติคิดถึง รเราปฏิจจาวามานุสติคิดถึงธมทมถึงถอนถึงจินที่ถึงแม้กระทั่งความเจ็เกิดเ จ, จ็บจตายเป็นโฉดที่ฟ้องเราอยู่ปรมามบได้แต่ความหลงก็เป็นโฉดตัวหนึ่งความโกรธความโรควาเดชังห้าก็เป็นโฉด ทุกความทุกอย่างเราแล้วมีความทุกเป็นเบอรหน้าแล้วถูกวงล้อมอยู่เหมือนกับคนอยู่ในกลางฝอยไฟไม่ล้อมมันทำมาเคยดับไฟดับไปคนเดียวมเดลลบไปข้างหน้าข้างหลังมันเกิดขึ้นมาอีก แล้วมองาะไรแล้วก็จะยอมอยู่เช่นนั้นไม่ได้ยอมเก็บปวดนิดหน่อยก็กโดดไปทางที่มันไฟไม่มาไฟที่มันไม่ไปข้างหน้ายังมีป่าจะกระโดดไปทางนั่นก็มองเห็นทีเินทางว่าไฟที่มันใหม่มาแล้ว มันมีแต่เราอยู่ข้างหน้าไปโอดไปข้างหลังไปเจ็บปวดนิดหน่อยผลตาลวกไปแต่มันก็ไม่ตายเป็นคนไม่ความทุกข์ย้อมทุกข์ สวนทางมาลงรูออกไปทางนั่นแหละปฏิบัติต้องสวนทางต้องแก่นก็ทลาไกลเราได้ไกลกว่าเวลาอื่นเวลามีหนาเวลามันทุกเกิดขึ้นก็เราได้ไกลกว่านี่ชีวิตผู้ปฏิบัติ กล้าทั้งสนุกสนอนคนแเกลนกล้าก็มีศรัทธาท้งเต่นกล้าในความเพียรต้องแก่นกล้าตลาดได้กลอยเชื่อมัน่นเวลาเราปฏิบัติไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมองอะไรดิบหลี่ วิเลตเหมือนหมาตัวหนึ่งสวัสดิ์ที่วอนเหมือ น, มนแมลงตัวหนึ่งสติเหมือนนอกอินสีวิเลตเหมือนหมาสติเหมือนช้างงองแบบยิ่งใหญ่เพ่็มีสตินะมีกรรมฐานได้ที่ตั้ง ไม่ได oh, ้ปอยเองนังเหงาหอนนอนเชื่อมแข็งตัวนั่นขึ้นมาตรงไหนจุดอ่อนมันเชืมแข็งนักปฏิบัติจริงๆเนอะไอปัชนาจริงนะมันถึงบางอืมอืมอมอันเชมแข็งอื้อเนี่ยแต่ว่อื้อมันเชมแข็งนะมันมีอำนาจ รจึงปลุกโชนโชนตนสร้างชีวิตล้อมดำเนินไปประกอบด้วยแล้วมันหลงประกอบก็ไม่หลงในข่าเดียวกันแล้วมันทุกข์ประกอบก็ไม่ทุกข์เวลามันเกิดอะไขึ้นมาประกอบก็รู้สึกตัวรู้จึกตัวไปเาว่าที่รู้สึกตัวนี่มันเลยทุกอย่างในสิ่งที่มันผิดเกิดเจากกายจากใจเรานี่ เรียนรู้ไปมันจะเป็นทําเป็นทําไม่เรียนรู้ไม่ปฏิบัติทําไม่เป็นเวลามันหลงกลับมารู้สักตัวเนี่ยเรียนรู้แบบเองเหมือนกับพูดเขากบอกว่าเรียนจากผู้รู้ตัวรู้ตัวรู้ไว้ใช่ใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในตัวเราเนี่เรียนจากภาวะที่รู้ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ย ประกอบมันขึ้นมามันมีจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยถูเฉินเข้าเหยียดเฉินออกเป็นจริงเป็นนอมที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเหมือนนกซาลิกาสองตัวตกอยู่ใน ลมพัดไปเป็นตุกอยู่ในฤาษีฤาษีเรี่งองวายฤาษีก็แผ่พายสวดมนต์แผ่เมตตาสัพเพชะตานกก็ได้ยินเมื่อนกตลิกาได้ยินก็พูดออกมามเมตตากรุณาช่วยเหลือว่าตามฤาษีไปก็เลยว่าเป็นสแสดงดีเอามาญาติ ไปแบบหือสีก็ามันอยู่ใกล้คิดสิงแวดน้อมก็แสดงออกก็อยู่เฉยๆนิ่งๆมันก็ไม่มีอะไรพูดไม่เป็นไห้เหมือนกับ น, นกตัวนหนึ่งไปตกอยู่กับหมโูโจรโจรมันก็บกว่าฆ่ามันตีมันกูเห ย, ยียบมันกูแทงมันกู ย, ยิงมันกูตียยมันเขียกนกระดิงแบงกบันทบ น, นกน้อยได้ยินก็ แรงออกเวลามันจะวนมันพูดถึงข้ามันก็เหยียบมันก็แสงถึงตลอมข้าแตีโยงไปยิงไปแทนไปนกสริกาน้อยจนก็หดัดและยินนกก็มาหาดตัวเองกลายเป็นดูร้ายไปเห็นคนมาพักัก็เปนโจรไปได้แต่ตัวนกสริกาอยู่กับือสีนี่ผู้ดุมากไม่แต่เมตาคนละ นี่สิ่งมันร้องมันสอนตัวเราถ้าเราเรียนรู้จากความไม่ดีพวมันโกรธก็โกรธแสดงความเป็นโจรความทุกข์ก็ทุกข์แสดงความเป็นโจรในตัวเรานี่นครบแบบนั่นก็เป็นแบบนั่นความโกรธขึ้นมาก็รู้จักตัวซะ ควาโกรธทำาหเกิดความหมอนน้อมเบตากรุณากันได้น่าสงสารคนที่มาด่าเราเขาไม่รู้เพราจะจังด่าเรามองข้างหลังกันนวลมีเรื้องหน้าเบื้องหลังเป็นคนที่น่าจะให้เอาไปเป็นคนที่ควรช่วยเหลือไม่ถือสาหาเรื่องคนแบบนี้ก็คิคดไม่ตาอในตัวนั่ น, นทันดีแทนที่จะกลัวเขาคิดจะช่วยเขา เอนพเจ้าช่วยองค์คริมานองค์คริมานถือดาบไล่ฟันอยอย่จนพระเจ้า ไ, ไม่ได้โกรธเลยคิดว่าโอ้คริมานเข้าใจผิดเลยเสีแล้วเขาเคยทำบาปทำกรรมไม่ใครทำไมจะไม่ไล่เราเข้ามาเขาใจผิดไปก็จนะบอกนเราหยุดแล้วเราหยุดแล้ว เธอยังไม่ได้หยุดเธอไม่ได้หยุดยุดลมันวิ่งอยู่ยลมันวิ่งอยู่เราหยุดทำบาททชั่วแล้วเธอยังถือดาบไล่ฟันเราอยู่เธอยังไม่หยุดนี่าคิดจะช่วยเหลือลมใช่ป่รเขาไปสอนขนาดนั้นตรงที่มากิได้ยินคือว่าโอ้ย อ น, นี้จึงได้ยินคำพูดอย่างนี้หนูได้ยินทั้งวิ่งวิ่งไม่ออกแลยเที่งตอบลงไม่บอกคิดว่าเออได้ยินแต่ว่าที่เทโอรสของพระเจ้าโทธนาออกบทได้ตัดจะรู้วาจะเป็นรูปนี่ละมังสำนากรูปนี่ละมังถิดไปเลร้องห่มร้องให้เฉยใจ ไอ้เป็นคนดีขึ้นมาว่าฝึกตนสอนตนเหมั น, ม น, มนเปลี่ยนได้ก็ลามงมกันฝึกตนสอนตนนี่ได้ประโยชน์จากความไม่ดีเป็นความดีได้ประโยชน์จากความผิดเป็นความถูกอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานี่ตําราเนี่ยอยู่ในนี้คุณเจ้าศึกษาเรื่องนี้ ไม่มีครัวจานไหนหรือยู่ในตัวเราเนี่ถ้ามีสติเนอะเราจึงเป็นเพื่อนกันในเรื่องนี้มีอะไรก็ถ่ายถามกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันถ้าทําอย่างนี้ไม่ผิดแน่นอนมีอเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นปวดเดียนที่ได้จากตัวเองมากที่สุด บทเรียนจากคนอื่นนั้นประกอบไปด้วยบทเรียนที่เกิดจากตัวเรานี่าเราสอนตัวเราดีกว่าคนอื่นสอนเป็นอย่างนี้ปฏิบัติาาําม เ, เ, เอาผสมก่อนใจเวลาเรารลอมกัน